สิ้นกระถินพอมันเดือนมันขึ้นแปดค่ำเดือนเดือนสิบสองไม่ใช่แล้วน่พอนเดือนเดือนดับเมื่อกี้เนี่ยเดือนสิบดับเมื่อกี้เนี่ยเดือนสิบเอ็ดดับแล้วก็เดือนมันป่าเขาเดือนสิบสองขึ้นสิบสองค่ำแปลว่าคาวนานี่ก็เป็นวันลอยกระทงเล ย, เยอเป็นวันสิ้น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 เขตกะินั้นเดือนหนึ่งอยากออกนับจากแต่วันออกพรรษามาวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปบัดนี้พวกเราทําอะไรอยู่วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปบัดนี้พวกเราทําอะไรอยู่อันนี้ให้ถามตนเองหรือทะเลาะกันอยู่หรือด่ากันอยู่เอหรือมัวเมาเด็ดหาลาภหาชด หาเงินหาทองเหรอไม่น่าจะถูกนะต้องหาธรรมด้วยนะทั้งหาทั้งหาเงินเลยทั้งหาธรรม้วยไม่จึงจะถูกนะอาหารกายอาหารใจอาหารกายก็คือข้าวน้ำโพชนาอาหารปัจจัย4เนี่ยนะอาหารกายส่วนอาหารใจก็คือธรรมะปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธินะทาจิตใจให้สงบนั่นแหละอาหารใจ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 ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยนี่แหละท่านเชิดชูบูชาจุดท่าน่ะจุดที่ทำจิตใจให้หลุดพ้นถ้าหาว่าจิตใจยังไม่หลุดพ้นถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะพอผุนิสุกเก็ทิ้งร่างกายนะี่กนะ็ทิ้งมือเปล่าทิ้งทั้งหมดทรัพสมบัติเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดร่างกายตัวเองยังเอาไปด้วยไม่ได้เพราะนั้น